อย่าโยมทางกรุงเทพมาเจอหนาวอันนี้ยังหนาวน้อยนะยังหนาวน้อยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางจังหวัดเลยพวกเราว่าโอ้จังหวัดเลยติดลบนะอยู่นี่ใกลนะ้ใกล้ๆตัวนั้นนเถอะอยู่ที่นี่ใกล้ใกล้ๆเละถ้าจังหวัดเลยลบนะ่ะติดลบเนะ่ะทางนี้ก่อนสองสามสี่ช่วงนี้เหลานะ 5, 6, นะนะาั้นห้าหกเจ็ดนั่ะพออากาศอยู่นี่มันอยู่ทาง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเลยที่ตรงนี้บริเวณอำเภอนายูงมันติดจังหวัดเลยแล้วก็ติดน้องคายมันเป็นเขตอุรานแ ต, ติดสามจังหวัดจังหวัดเลยและจังหวัดน้องคายตรงเนี้ยที่เราอยู่นะีอำเภอนายูงแต่ว่าทั้งสองอำเภอก็ลาไม่น้ำโขงผ่านทางน้องจังหวัดเลย าปักชมปักชมนะที่เราติดติดปักชมกับติดสังคมตรงที่อำเภอนายงติดอยู่เดี๋ยวนะี้ถ้าจะว่าไปถ้าจะให้หลวงพ่อพูดหลวงพ่อเคยชินกับสถานที่นี่นะหลวงพ่อเขาบ่าพอดีพอดีนขนาดนี้ถ้าว่าหลวงพ่อแต่งได้นะแต่งดินฟ้าอากาศได้นะหลวงพ่อเอาแต่งขนาดนี้แล้วมันก็คือ ไ ม, ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปเพางั้น่หนาวหน่อยๆเพราะงั้นแกลางคืนก็หนาวแต่กลางวันนี่ก็พอดีพอดีนะแต่เราก็แต่งเอาไม่ได้นะดินฟ้าอากาศสุดแท้แต่แต่จะว่าแต่งไม่ได้จริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็คงจะแต่งได้บ้างอย่างที่ฝนไม่ตกอย่างนี้นเราก็ทำฝนเทียมก็เสริมได้บ้างแต่อากาศมันร้อนเนี่ยร้อนเพราะอะไรเนี่ย เดี๋ยวนี้ชาวโลกเขากาลังค้นคว้ากันอยู่ว่าร้อนเพราะมนุษย์ทําให้ร้อนฝ้ากระจกขึ้นไปปิดบนท้องฟ้าอากาศก็ทําให้อากาศขึ้นไปแล้วมันทําให้โลกร้อนแล้วกระโยนกันไปโยนกันมาคนนั่นว่าคนนี้ทําให้โรกร้อนคนนั้นก็ทําว่าให้คนนี้โรกร้อนแต่าตามไม่จริงมันก็ทุกคนนั่นแหละ เมือ่อเราไปไปอยู่ในห้องแอร์น่ะไปอยู่ในห้องแอร์ไออุ่นคนนั้นบางไออุ่นคนนี้บางผลที่สุดหลายคนมันก็เลยมันร้อนมั้งแต่มันน้อยค น, นคงจะไม่ ร, ร้อนหรอกหลวงพ่อว่านะแต่ถึงยังไงยังไงก็ต้องต้องหาต้นเหตุเพราะวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มากมายที่จะหาแก้ไขแต่คนที่จะแก้ไขหรือไม่แก้ไขเท่านั้นะ บางคนก็ได้รับผลประโยชน์จากโรคร้อนก็มีนะแจะว่าเสียทีเดียวก็ไม่ใช่นะพโลกนั้นมันเป็นอย่างงั้นแหะถ้าว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์จากโรคร้อนก็เฉยไม่ได้สนใจเขาก็อยากอยากจะให้มันโลกมันร้อนอยู่เพราะว่าน้ําแข็งมันจะได้ละลายละลายละลายทรัพยากรที่ใต้น้ําแข็งมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นร้อยร้อปีเป็นพันพันหมืน่นหมื่นปีไนงะ มันน้ำแข็งจะได้ละลายลงบ้างเราก็จะได้ขุดทรัพย์สมบัติในใต้น้ําแข็งที่มันทับอยู่นะมันมีอะไรบ้างฮเขาก็จะคิดอย่างนั้นไปอีกเพราะมันหลายคนไงใช่ไหมนนี้ว่านานาจิตตังนานาทัศนะไอพวกที่ได้รับผลกระทบน้ํามันท่วมขึ้นมากกระโดดโลดเต้นอวยวายผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็เฉย โลกมันเป็นอยู่อย่างงั้นน่ะฮโลกอนนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นพะพูดในเจ้าทันจึิงน่าเบื่อจริงๆโลกมนุษย์เนี่ยว่ากันนะสัระศัตวในโลกเลยยังผลที่สุดก็ยังไม่แล้วอีกยังมีเกิดแก่เจ็บตายอีกที่จะตามเข้ามาอีกฮนี่แหละเป็นโลกที่น่าเบื่อที่สุดแต่พวกเราท่านทั้งหลายเบือ่อเบืออ่อจากๆไม่เบื่อจริงแต่ ถ้ามีความสุขหน่อยนี่ก็ติดมันถ้ามันกลุ้มใจขึ้นมามันทุกข์ใจขึ้นมาเบื่อมันแต่ถ้าว่าพอมีความสุขใจขึ้นมาหน่อยถูกใจขึ้นมามีเงินคำทรัพย์สมบัติกิจการงานไปได้ดีอ่ะชอบมันอีกติดมันอีกไม่อยากจะหนีจากโลกอีกแต่มันเดือดร้อนวุ่นวายโอ้ยอยากจะหนีจากโลกอีกหยสรุปแล้วก็คือมันไม่เบื่อจริงมเบื่อเบื่อยากอยากมันก็เลยยากอย่างนั้น เพราะนั้นพวกเราการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างการส่อแสวงหาทรัพย์ก็จำเป็นการดูแลสุขภาพกายก็จำเป็นการดูแลสุขภาพจิตก็จำเป็นถ้าอยู่ในโลกที่จะให้มีความเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขได้ต้องรักษาในระดับนี้นะอยู่ในโลกแต่เราไม่ใช่พูดถึงนอกโลกนะ ถ้าพูดนอกโลกอีกต้องรักษาระดับจิตอีกชําระกิเลสออกจากใจอีกราคะโทสะโมหะหลุดกระเด็นออกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละมีมีความสุขที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ถ้าว่าอยู่ในโลกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอาศัยอยู่เนี่ยจะต้องปัจจัยสี่ก็จําเป็นการเสาะแสวงหาทรัพย์แต่เราจ ะ, ส ะ, สะแสวงหาปัจจัยสี่อย่างเดียว ไม่เพียงพอต้องสสแสวงหาปัจจัยห้าด้วยปัจจัยห้าก็คือหาธรรมะเข้าสู่จิตใจอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาวัดว า, าศาสนาอย่างนี้นะอันนี้ปัจจัยห้าปัจจัยที่ห้าถ้าเรามีสสสแตแสวงปัจจัยสี่ข้าวน้ำโภชนาอาหารผ้านุง่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยสมบูรณ์บริบูรณ์ ร่างกายได้รับความสะดวกสบายจริงอยู่แต่ใจของเราเดือดร้อนวุ่นวายไม่รู้จักทางออกไม่รู้จักทางแก้กจิตใจหมักหมมขุนมัวด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะไม่รู้จะออกทางไหนอันนี้ก็หาความสุขไม่ได้มันสุกกายก็จริงอยู่แต่มันทุกข์ใจเพราะนั้นการที่จะเอาความสุขเข้าสู่ใจนั้นเราจะเอาความจะเอาตัวไหนนี่แหละนอกจากธรรมะ ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีประตูอื่นว่างั้นที่จะเปิดออกออกได้มีแต่ธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอ่ะเนี่ยเป็นปัจจัยที่ห้าว่างั้นะที่จะทำให้เรามีช่องทางที่จะออกจากทุก์ได้เพราะฉะนั้นปัจจัยสี่ที่เราจะต้องแ ส, สวงหาก็จำเป็นเราจะปล่อยปล่อยปาละเลยไม่ได้สนใจก็ไม่ได้คนเราเกิดมาแล้วก็ต้อง ใจสีเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยข้าวน้ําโภชนาอาหารยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือปัจจัยสี่ของมนุษย์ชาติแต่พร้อมกันเราจะอาศัยแต่ปัจจัยสี่ไม่ดูแลสุขภาพกายก็ไม่ได้การดูดการดูแลสุขภาพกายจะว่ามีแต่ยาอย่างเดียวก็ไม่ใช่เราก็ต้อง ออกกาลังกายบ้างพักผ่อนบ้างพักผ่อนให้เพียงพอรู้จักเ ว, เวลาพักผ่อนไม่ใช่ทําการทํางานอยู่ตลอดโดยที่ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ดูแลสุขภาพกายอันนั้นสุขภาพกายก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันอีกสักวันหนึ่งเมื่อสุขภาพกายสำรุดชุดโทมเกิดโรคภัยไข้เจ็บเส้นเลือดแตกในสมองอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นอมภพึกอมาพาด ที่พวกเราเสวแวงหาเงินมาร้อยล้านพันล้านกองไว้อยู่งั้นตัวเองก็นอนใส่ข้าต้มนอนแช่ข้าต้มเดินไปที่ไหนก็ไม่ได้อันนั้นจะหาความสุขไม่ได้เราคิดดูก็แล้วกันเงินคำทรัพย์สมบัติที่หามาได้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นการดูแลสุขภาพกายก็จำเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการดูแลสุขภาพจิตนี่จุดที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่ง ยิ่งกว่าการดูแลสุขภาพทั้งสองนั้นแต่พวกเราโดยมากปล่อยปาละเลยจุดนี้ไม่ค่อยให้ความสนใจก็ไม่รู้จักจะรักษาอย่างไรอีกต่างหากเพราะไม่ได้รับการศึกษาที่ดีและอีกอย่างหนึ่งไม่ไฝในการศึกษาด้วยเพราะเหตุใดเพราะมันนามธรรมาลไม่รู้จะรักษาอย่างไรไม่ไม่รู้จะรักษาความคิดอย่างไงเพราะนั้นต้องศึกษา ศึกษาคำนี่ก็คือศึกษาจากพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงใจของตอนเองการดูแลสุขภาพจิตนี่จำเป็นสําคัญอย่างมากถ้าว่าคนใดก็ตามสุขภาพจิตแย่นะสุขภาพสุขภาพจิตย่ําแย่มีเรื่องอะไรมากระทบกระเทือนอย่างแรงอย่างนี้แล้วมีอุปสรรคอย่างแรงลูกพัดภาคสามีจากไปอย่างนี้หรือสมบัติมีอันเป็นไปอย่างนี้ ตัวเองก็คิดปุงฟุง้งซ่านพอฟุ้งซ่านเขาไปกัที่นี่นั่นคิดเตลดเิดเปิดเปิงจนสุดผลที่สุดจนเอาไม่อยู่ยาเอาไม่อยู่จนเอาเข้าโรงพยาบาลศรีสัญญ า, ามหาโพลเอาไม่อยู่จนยัดเข้าอยู่ห้องขังอถึงขนาดนั้นเหมือนันเะอันนี้แปลว่าสุขภาพจิตแย่ในเมื่อสุขภาพจิตเสียอย่างนั้นแล้วทรัพย์สมบัติน่ะ ที่หามาได้มีความหมายไหมสําหรับคนคนนั้นไม่มีความหมายแล้วก็ไม่มีความหมายสําหรับสุขภาพกายดีอีกต่างหากถึงจะรักษาสุขภาพกายดีแข็งแรงขนาดไหนแต่สุขภาพจิตยาแย่แล้วอ น, นั้นก็ไปไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นการดูแลสุขภาพจิตจําเป็นสำคัญอย่างยิ่งถ้าเราพิจารณาดูตามเนื้อหาสาระที่ได้เลี้ยงับดับมาอย่างนี้แล้ว การดูแลสุขภาพจิตนั้นทําอย่างไรพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนแนะนําก็คือให้นั่งภาวนาแต่พวกนั่งภาวนาคํานี้เท่านั้นแหะพวกเราเหมือนกับจูงหมาใส่ฝนว่างั้นมีสี่ขากนดันไว้เลยวงั้นเถอะไม่อยากจะทําแล้วงั้นจะตามไม่จริงเหมือนกับยาขมนะทำมรรคของพระพุทธเจ้าเหมือนกับยาขมนะว่าขมนากเลย เออแปลว่าไม่อยากเด็กทั้งหลายไม่อยากแลวมาขมแล้วมันแตะหน่อยเดียรก็ไม่อยากแล้วมันแต่ถึงจะอยากแล้วไม่อยากก็ตามอันนั้นคือคุณประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับตัวของเราที่จะต้องบังคับหรือว่าพยายามถึงจะไม่พอใจพอใจหรืไม่พอใจอยากจะทําหรือไม่อยากจะทําอำเราก็ต้องบังคับให้ให้ทํำเพราะว่านั่นคือหนทางที่จะดูแลสุขภาพจิตไม่ให้จิต ใจของเราออกนอกลูก่นอกทางจิตของเราป่างฟุ้งสั่นจะต้องทำยังไงน่แหละบังคับในเมื่อบังคับกำหนดลมหายใจเข้าให้มีสติการนั่งอยู่ที่ไหนให้มีสตอิอยู่ที่ไหนเดินไปมาให้มีสติการพูดจาภาทีให้มีสติถ้าคนมีสติอยู่กับตัวแล้ว คนนั้นจะจัดว่าเป็นบ้าไม่ได้คนมีสติคนที่ขาดสตินั่นแหละเป็นบ้าเป็นบอได้ไง่ายๆถ้าคนมีสติอยู่แล้วจติตสมบูรณ์แล้วจะพูดจะคิดจะทําก็มีสติในการประครับประคองตนเองเพราะนั้นสติคานี้จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่ละหลักของพุทธศาสนาควรจะศึกษาอย่างยิ่งจุดนี้จะทำยังไงสติของเราจึงจะสมบูรณ์ ต้องฝึกหัดไปทีละน้อยละน้อยละน้อยไม่ใช่ว่าปุบ ป, ปับแล้วก็ฝึกหัดวันเดียวได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเบนเสียจากคนมีอุปนิสัยมาดั้งเดิมติดภพติดชาติมีบุญบา ร, รมีมาเก่าแก่อันนั้นก็ไม่ว่ากันพอมีได้รับทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจนะสะติกับปุ๊บเขามาประจำที่เลยเข้มแข็งทันทีเลยอันนั้นแปลว่าเป็นผู้มีบุญวัดสนาบา ร, รมี แต่โดยมากพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราตั้งใจฟังนะยังทะเละทะลายยังสู้ครูอยู่ต่างหากเพราะงนั้นยังดูถูกปลามาัดผู้บอกผู้กล่าวอีกต่างหากเนี่แหละอันนี้แปลว่าเราต้องไปคิดไปพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลว่าคนขาดสตินั้นเป็นยังไงคนมีสติสมบูรณ์นั้นเป็นยังไงเนี่แหละต้องเราต้องไปไตรตรองด้วยเหตุผลของตัวเองอีกแล้วก็เป็นมีตัวอย่างให้ดูดูอีกว่า เห็นไหมคนที่ขาดสตินั้นเป็นยังไงเวลาเราพูดจาพาทีกับคนที่เป็นบ้าเป็นยังไงเอหมือนคนเป็นบ้าชั่วคราวคือคนกินเหล้าคนดื่มเหล้าอันนั่นกับคนขาดสติชั่วคราวทําให้สมองปั่นป่วนมันเป็นยังไงให้เขาคิดอ่านเรื่องต่างๆได้ไหมไม่ได้ถ้าคนขาดสติอย่างคนบ้าเนี่ยเป็นยังไงถ้ากินคิดอ่านใจตรองด้วยเหตุด้วยผลเป็นคนดีเออยู่กับเพื่อนมนุษย์ชาติ อูกับพวกเราเราน่าไว้ใจไหมนี่แหละอันนั้นคือคนขาดสติเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมีสติอยู่แล้วการเคลื่อนไหวไปมาให้มีสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นหลักของหลักพุทธศาสนาถ้าคนมีสติฝึกขันไปทีละน้อยท่น้อยอย่างน้อยวันละห้านาทีนะใครเขาฝึกฝนเอาไว้อย่างทุกวันนี้เขาบอกว่าคนที่จะทําไม่ให้สมองฟอคือความจําความหลงลืมเนี่ย จะต้องพยายามอ่านหนังสือวันละ30สิบนาทีเป็นอย่างน้อยคือพยายามอ่านหนังสือแล้วก็พยายามจำจำคล้ายๆว่าฝึกเอาไว้แบบนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจในการอ่านการศึกษาสมองมันจะฟอลล์ลืมหลงไปเรื่อยๆอันนี้คือส่วนหนึ่งคือวิชาการแพทย์ของเขาอันนี้ก็เหมือนกันในหลักของพรธศาสนาเนี่ยคือพยายามทาจิตให้สงบทาจิตให้เป็นหนึ่งให้มีสติอยู่กับตนเอง การจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนให้มีสติในเมื่อมีสติอยู่กับตนเองแล้วฝึกขัดไปทีละน้อยละน้อยละน้อยจนผลที่สุดสติของเราแก่กล้างานน่ะสติของเราแก่กล้าอยู่ที่ไหนก็มีสติเพราะนั่นคนมีสติเมื่อเท่าแกชา่ชราอผุดได้อย่างนั้นเลยเลยเมื่อเท่าแกชา่ชราเมื่ออายุสูงอายุขึ้นมาแล้วเราไปอยู่ในสถานที่ใด ใจิตใจของเราเข้มแข็งไม่ว้าเหวอ่ยงว้างเงียบเหงาเศร้าซึมเพราะคนมีสติสติอยู่กับตนเองใครจะไปหรือใครจะมาเราก็อยู่กับพุทโธเราก็อยู่กับกรรมาฐานเรายึดพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ในใจิตใจแล้วเราจะไม่คิดถึงคนนูน้นไม่ทึกคิดถึงคนนี้ไม่ทึกคิดถึงถูกถึงล้านถึงสิ่งงินอื่นเมื่อนั้นแต่ถ้าหาว่าเราไม่มีหลักยึดทางด้านใ จ, ใจิตใจเราไม่เคยฝึกทางด้านใจิตใจมาก่อน เมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วนั่นแหละเราจะคิดถึงลูกถึงหลานถึงคนนั้นถึงคนนี้ถ้าเขาไม่มาเยี่ยมมาไกลก็ะว่าเขาโกรธเขาชัง เ, เขาไม่มาใกล้เราเจิตใจก็น้อยอกน้อยใจจิตใจก็ว่าเ ว, าวอ้างว่างเงียบเงาเศร้าซึมลซเลยสินเห็นโดยมากจะเห็นจากคนแก่ทาวว่าลูกหลานไม่มาเยี่ยมจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราให้เตรียมตัวเอาไว้ถ้ามันตายง่ายเลยก็แล้วไป มันจบไปแต่ถ้าไม่ตายง่ายเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนั้นหน้าทุเล็นะ เ, เป็นหน้าทุเล็ตัวเองเอถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ตั้งแต่น้นเนินนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าว่าเรามีจกักมีหลักยึดทางด้านจิตใจแล้วเใครจะไปก็ไปใครจะมาก็มาข้าเกิดมาคนเดียวข้าจะต้องตายคนเดียว เ, ยเมื่อข้าถึงข่าวข้าจะตายแล้วไม่มีใครที่จะช่วยข้าได้ ข้าจะต้องไปตามลําพังฮเดี๋ยวนี้เราขคาดคอยรับวีซ่าของข้าอยู่เมื่อวีซ่ามาถึงแล้วข้าจะต้องเดินทางต่างประเทศนะอแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งอันนี้เรื่องของข้าแต่ข้าก็เตรียมไว้อีกเหมือนกันในเมื่อข้าไปต่างประเทศแล้วข้าจะต้องเตรียมวีซ่าไว้อีกข้าจะต้องกลับมาเกิดอีกกลับมาที่เก่าอีกฮ ไม่ใช่ว่าพอไปถึงต่างประเทศแล้ววีซ่าไม่มีหลุดไปที่ไหนก็ไปไม่ได้กลับมาเกิดก็กลับไม่ได้แปลว่าคนไม่มีบุญคนมีบุญก็คือคนที่มีมีมีวีซ่าแล้วพอมีวีซ่าแล้วก็มีเงินพอมีเงินก็คือคนมีบุญเกิดพบหน้าชาติหน้าก็ไปนักสถานที่ใดก็ได้เมื่อได้รับไปอยู่ที่อื่นกเไปติดต่อวีซ่าได้อีกกลับมาเกิดเป็น มนุษย์มานาได้อีกทางว่าออกจากนี้ไปเรามีบุญเราก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวาดาอินพรหมไปที่ไหนก็ได้เพราะเรามีบุญถ้าคนไม่มีบุญแล้วอย่าหวังเลยเพาะงั้นเหมือนกับคนไม่มีเงินไปเขมรก็ทุกในเขมรไปลาวก็ทุกในลาวไม่ต้องไปพูดถึงอังก ฤ, องกฤษอเมริกาที่เขาใช้เงินมากๆถ้าไปอย่างุูน้นไม่อีกไม่นานนะไป เกี่ยถังขยะเขาอะไรวะแต่หาอยู่หากินเพลาะเหตุไเพราะเหตุอะเพราะไม่มีเงินอันนี้ก็เหมือนกันคนไม่มีบุญก็รักษาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวไว้ตายแล้วไม่สูนญตายแล้วเกิดอีกตามหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์มาแล้วท่านว่าตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นสิ่งที่ให้เกิดนั่นคือวิญญาณตัวของเรามีอยู่สองเดี๋ยวนี้นั่งอยู่นี่มีสองนมามธรรมคือมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อคือนี่แหละคำพูด รูปประทมคือร่างกายที่มองกันเห็นแต่รู ป, ปรนามธรรมานั่นแหะตัวที่จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างต่างแต่พวกเราว่าสมองใช่สมองก็จริงอยู่แต่ที่ตัวที่มาใช้สมองนั่นแ่ะคือใจสมองก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์อตัวคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นั่นคือใครหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพิสูจน์มาแล้วค้นคว้ามาแล้วพิสูจน์มาแล้วเอจนรู้แจ้งเห็นจริงมาแล้ว จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านอยู่ในป่าดงพงภัยท่านก็มาพิสูจน์อีกเหมือนกันก็เห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพิสูจน์ใช่เมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วความรู้นี่โดดเด่นมากกล้กับใจเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยมันไม่ใช่อันเดียวกันนา ม, มาธรรมครูปธรรมเพราะนั้นตัวที่เป็นนา ม, มาธรรมนั่นแหะจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆนะระนั่นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกตายแน่ๆว่างั้ น, นไม่เป็นอย่างอื่นว่างั้ น, นอันนี้ไม่ใช่คํำขู่กันนะเพียงแต่คำเตือนกันเตือนกันเตือนเอาไว้ตายแน่ๆว่างั้นะไม่เป็นอย่างอื่นไม่ใช่ขู่นะองค์ที่หลวงพ่อพูดอยงองค์พ่อของจ ะ, จะตายเหมือนกันอไม่เป็นอย่างอื่นว่างั้นเสมอกันจุดนะอ่าต่อเ น, นี้ไปรับพร อ, อ, อนุโมทนาให้พ อ, อ น, นาฏเนรนา